ลาบอลูนเยี้เาไปูมาตงงกาไปตไอรนีดก่อไปโดามา้วในวนาตสาเ่อเอมาตสาเป็ของเกาหรวไอ้าก้ี้โดยาะอบไปนอดด้วยอบแม่อีกไปซูมเข้าา แม่เนา่กล้วยแม่เป็ดไก่แม่ครวแม่ป่าไปนในเแม่แหม่อแม่หมูแม่หมาแม่มนุษย์แม่เทลวุเวดาพวกไหนแม่วุเทวดาบวกดอตในะเของก้มวนนํากล้วยน้ำเป็ดนําไก่น้ำสแนน้าันนหมูน้ำหมาน้าเป็ดนําไก่น้ำาละักนตะปูตําตะกูตุูเศษเศที่นี นัรนั then, animal, like sticks, ่งถิ่นนท่าถือก่อนเพท่านคือก่อนเพราเจเป็นแ่วัดตะโมห์อบก็เลยต้องเคีย์มาในวัดจาวทองศาลตองแห้งก็เลยในวัดิ่นหน้าฟ้านี่ในวัด้าวทองศารต้องแห้่เลยในวิ่ี่ดินยู่ในวัด้าวองสารตองแห้เลยใัดถิ่นห้ามกระดูกนี่วัดจาวทงสารตองแห้อะากมาอีกอ่ะกเลยใวัาหอบมาไหยน่ในวัดาวองสารตองแห้งอเลยในวัด มีใจเสียใจในวัตาชงสารพแห่่ะเคยเต่ว่าบ๊อสปสงค์ในวัดตาชสารพแห่หล่ะเคยแต่ว่าวิโยคษาของวัดตาชมสารแห่เคยได้ว่าเป็นห้างเป็ไม้พแห่หลเคยเป็นกเล็กเป็นหญ้าพ่อหญามียหญ้าหลงหญ้าตาในวัดตาชมสารพแห่หละโครเจ็บโวตรเคยแต่ว่าเป็นคนหลกคนสวยคนดีไรดีเด่นดังวุ่นดังว่าตพละค เนี่ว่าช้าก็ช้นอกขอยเปิดใจมู้ว้ามันก็มาเปคงแหงแหละเป็นเรื่องเขาไม่ได้มาอีกคนนแต่ว่าจักอดของเราคมใน่ยเดียวโก้คนเดียวยังันคนในฝ่ายนักโกคนเดียวยังยังฉนคนใ่าเขาจะถามาจเล่นยังฉนายหมายใจเขาคนเดียวเลือดไหนยังฉันคนในฝ่าด เราจะตั้งสติหายใจเข้าเราจะตั้งสติหายใจออกเราจะตั้งิตปันเทิร์หายใจออกเราจะตั้งจิตปั่นเทร์หายใจเขเราจะคิดยังนาความเนเรียงมันเกิอกเทียงหายใจเข้าหายใจออกเราจะเพื่อผิดหายใจเข้าล้วก็เพื่อผิดหายแล้วเราจะปันเทอร์ิดหายใจเข้าเราจะปั่นเทอร์จเราจะคิดยังนาข้อแก่แก้นใจว่พราะเขาลงายใจออกเขาเราจะคิดคิยันาพุทโธพโมพทโพราะเาหายใจออกเขาจับไว้มันจะได้ด้ว เวลายางตองไปตอาเ่ออกเลยะน้นเราไปต้องลงทั้งแกงหวทั้ง yes. มดอาไปเข้าไปาไเา่นั่จะได้ย like <the> ึดม <themselves> ันมันวาพุทถึงใ่แนบบนหัมันวานโค้อยู่ไส่แตแน่มันไปปวดไปกระดับไปบ้นไปไหนมาเอาเอาไปนาเอารับยึดามห้องออกไปพราะแห้งแล้วขดทุกมือห้องออปพรแห้งแลนมูห้องไปพแห้งแล้ว คนทางคนนียตัดีมอห้องกับตัปเศษร้าแห้ง yeah. ไปตะวันมือห้องกับไปผแห้งไปเที่ยวโลกมือห้อกบไปผ้าแห้งไปเที่ะเลมือห้อกไปผแห้งแล้วัมผัส่งสัมนัสนึ่ไปนอนอาภรณอห้องกไปรแห้งแล้วไปมะขาิีมอห้องกับไปผแห้งแล้วไปโรกการงานโลกมือห้องกบไปผแห้งแล้วเป็นคนชุกคนเดิมอห้องกัเป็นพ้าแห้งแล้วตัดสีมอห้องกับเป็นผ้าแห้งเก่าเป็นน้ามอหอกบเป็นผแห้งตัดคนคลาสสิมอห้องกบเป็นผแห้งเป็นคนดังบดดางพดดังขาดมอห้องกัเป็นผ้แห้ง เพกผีดูดลูกค้าโม่ห่อเด็ดคว่ำแห้งเลยเรียอกสานโม่ห่อประเภทคว่ำคว่แห้งเย่างจะคนในผ้าโม่ห่าหลักปั่นแล้วควในผ้าเชียอมเลยอย่างถ้าบนเรื่องในวันตามสงสาจะเปเสื้อเล็กสั้นเสื้เล็ก้นเลยคน้ว่าห่อืน่อได้อาองพูดจะกอดตัดคิดตัดคิดพูดจะกอแเนียยังยเลยกเ็นเือเขาให่เไาใช้ภายในเาก็ เเอาเปลเขาโรกระตดมาเทียบเกิดแก้แค่ใจใส่รกรานมันดระดับเต่อใสโรกลดนตวถ้าเกิดแต่เนียพูด่นนวพูดจะเกิดแก้แค่ใจใส่โรกระามันก็คือเต่อใ่รกรตาล็นจเสื่อไฝ่าแก้โรกระาอี้นเอดูาะรมันจะแ่นผมผมเดินผผมก็อะรเออ้สมมัผเปลีแว่ะ เป็นห้องหม้องวะนเป็นห้้างกระดูกพวกนี้เร้อะจะเป็นห้องกินห้องขี้พวกเนี้ยวกาบอกว่าว่ายังถนัดตั้งใจตัวห้งห้างกระดูกห้องหนังนี่วะห้องคนกิห้องคิดพวกนว่าผคนกดอะไรวว้คนบวดหดผู้คนเป็นห้องขี้ปวเบื่อหดขี้นักขี้ขี้งอเม่จะนึกอยคิดข่ายคือข่ายคิด มึงห่ามันก็ตันเรือได้มงห่ามันแข็งอยู่ันหนักแเราอยู่เ้นหมดเขามเอาราเขาไ่อาเราไม่มาหัวดอนโอ้ก่อนหัวดอนมงจัเล่ยเขาไล่ได้ยนะจู่ก็เปลียมึงจัดเปล่นเขาไล่ได้เลยนะนี่หอมึงเงื่นี่ว่ามะกดเมนัมึงมาแต่เขาเขีหัวเขาได้ลยนเดี๋ยวหัวหวก็เปลี่ แลอาไปแล้วส huh? ั่งานกันเนี่ยาเคยกูพูดมึงพูดพอดีแล่เขาเอากันงกันรือวกตัวเน่งจําี่ยกูจำมึจำมงก็จะมาทรเน่าก็เอากันด้วยตัวยไปกัเนี่ยอะแ้วหลากมากูพดกพูดก็คกูนูพูดมัจะไป็นาใหม่กัหม่กันนึกคิดสาการจับะาไ พู้เบือเบือหอดตาเบื่อหอดหูคนนเสือเนี่ยตาของมัาตาหูมัก็สักห้องหดังมันก็กดังว่าเป็นกีขาตาว่าเป็นขีขาดหูว่เป็นขีขาจมูกก็เป็นขีดขานี่ก็เป็นขีขายใจก็เป็นขีขายนั่แน่วคนกินกนกับเบือทังแ่งเยเมยมยว มัเชื้อเป็นของเก่าคนก็นเชื่อเป็นของใหม่คนก็เปลี่ยนหลอกเก่าคนก็เลยเบือเบือหอผู้รู้คนผก้คนเข้าดูคนในฝ่ายรู้ละครก็ดูคนดูคนก็ดูละคนระวางดูอะสี้าหอะไรอเง้ยอยูละคดูหนังก็ดูหุ่นดูห่นก็ดูหนัมือกังแล้วถงกางย้ไห โดนไล่ป่าวใ่ไหมเจ้า <อ legal. S 1> ฉันส่วสถาบัรกันเจ้าให้กรนั้นน้องมีสองสองไม่จะเป็นเล็กน้อยมากพอแห้งเลยไม่จแยกต้แยกมันแห้งลยอ่ะยกออกซ้ำหนึ่ตนี่แยกออกซ้ำหนี่งมันายกว่านี้แยกออกซ้ำหนึ่งง่ายไปเองก็รับหรืแยกซําแยกให้นึ่เขาพร้อมขวัญน ต้ไปเล่หน่อยาะพวกาเสเรื่องหงม่เา็กวเขาเขาเาแก้เาเ็วตายแต่ว่าของไมของเกา้าวตายมเนี่ยอยพูดต่คือสัญญาหันใจเขาออกเขาว่าของไมของเกาห้าที่ยหันใจออกมาันต้องคิดที่ว่าออกมาหรว่ามันเรื่องไม้เรื่องขห้าเนี่ยเจ้ามันเดือดอจะต้องเชื่อเดือดกบอดม้อนเือต่อคุกบัส้าวเาะ้จะหันใัาเดือเได้หอ ชาเนี่ยชาเป็นหลักเช่นชาแก้วหลักเจ้าหลักเนาะั้งสามชาหลอดตั้งสามตั้งร้อั้งเนตั้งหอั้งรอยตั้งบร้อยั้งหอ้งเทียงตัสามตั้งสามั้คนไปครับเรื่อง้อหาข้าหลักเด็จะไม่แก้ไขข้อหาไม่ท้องซะแล้วเข้าจังกอกเรือเทียนทั้งหมือล้วาราการแก้ทุไห้นั้ยังไม่วรบัดด้วย ปัญหาเันบังเอามัน้งทะุปัดเมื่อเห็นคนบมันว่แก้มันกัสร้างสะลุมัดโลกโลกมันเส็ไปเลยมัน่าแกนเหทุกมนกับรองสร้างลุมัดโลกมันหลุไปเลยความฝุ็นตายมันกับ้างุมัโตกมันมัลมันสร็ไตายเห็นตินหน้ามัเลกมันกสร้างสลุมันโลกมันลไปเนานนกวา น, อ, น, เ อ, น อ, อเอิร์ดฮะ่อฮแม่เอิร์มากพอแห้งมน น, นั่งรับกับพ่อพ่อไอ้ตัวนีอนี้นอนเอกมื่อเลื่นนอดเอกเมืเ่อเื่อนฮะจุดเข่าเีกขีเอกกินกับขีไ ม, ม่เ้ยะเลี้ยาอ๋เป็นวัวไปนั่งกับ่อ่อกินเป็นหมาม่เป็นวัดเนาะ พราะถาทุกขจงาหัวมันเป็ดนี่โรกอ่ะมัก็ะเกี่ยวว่ายีนี่แหลทั้งห่วโลกตาโรกหูโลกจมูกโลกนีโลกกัยโลกใจโรกอดีตโลกน้าคนโรกปัจจุบันอดี้ที่โลกไปแล้วไม่ยังก็ต้องคิดที่โลไปแล้วโรกที่โลกไปแล้วอ๋อโกนหน้าหนาเนี่ยบั้นเนี่ยทุกทุกเดืนขาที่โลกไปแล้วอ๋ ชุดๆอุเบกขาที่บ้านมาเสรเอาชุดๆอุเบกขาที่กำลังจะยืเอารอดีหน้าบากครั้งก่อนรอรูปอย่งนีน้าถ้าร้องที่ร้องไปแล้วดีหนาถ้าร้องที่บ้านมาเสรมเราดีน้าพ้า้องกี่กลังจะยู้อพวกเราห่าแล้วร้องที่ันไฟจากไฟที่ร้องไปแล้วไฟที่บ้านมาเสรไฟที่กาลังจะยื้อนั่งตอมมองเฉยๆตอนนั้นแม่ห็นายเจ้าเยอะจั ตอน้นเนี่ยนะเจ้าอยังไหลันี้กูได้ดยังต้นตายไปแกงเหือนนแกงอนกันก็ยมาหน่อยเดี๋ยวไปเอายัไปได้ก็แปแกบั้มืนกันไม่ก็เาเดี๋ยวเดี๋ยว้ก็ตายกอหกันตายไม่ไดวกันคนนี้หน้าที่เน้เลยเป็นไม้ทั้งนึงอ้ไ่ะบอกันว่า ไอ้สาควาดสายรู้ไ ห, หเขากันไมอใ้าบไปเอาไม้มาซ้อ น, น, นจะไปนังจะเขเปลนไปจะเป็นจงลักภัดีกันไอ้สยควารู้ไหนเขากาะเขากันอ้าจะเปนั่งเพาเป็ น, น, นคนคจะมันแคน่ไรถึงอะไรแค่ไรต า, ากตาไรกันเหานางาวน้ ไม่ไม um, mm. ่ะาะกันท่นะพดเกิดมาทะเลาะตายท่นะไม่ใชตายว่าบ่มากราตายกันพุ่งอะรเธอเกิดเขามาเกิดมาเพื่อตายกินกินเพื่อตายนะขี่ขีเพื่อตายนั่งนั่งเพื่อตายนั่เพื่อนเพื่อเพื่อตายนะ่บตายพวกนี้ยก็ดรอสแ็แม้นี่เขาพัฒตายหมเพราแม่ว่าเอาองกระดงทางนั้นแม้่าแ่ก็แมนี้เขากเขาบก่กระดูมันไหยก็เว่าเอาพห้องะโดาั้นแม้ว่า อูตายไมนะกระรอกหมูหัวเนี่ยทีอพยายามตายมันกรเรากที่อ่กแต่เขาอกว่ามันต้องตายของเขาตายไหกระรอกหัแห้งของหูหวี่าโอ้ไม่อกจะตายด้วยกันเลยตายที่แนาข้อใจแต่กัลังเนี่ยเนี่ยตายได้ไหมตัวพี่แกนตาข้อใจดูใจในข้อหัวโ้าไปที่รับจา พี่ย่าเข้ายจคุณย่าไปขหนี้ก็ตะทำางเลยคือข้อหม่เยพี่ย่าเข้าเราะเขาล้แตงหงาย่างไปแต่พ่าทำไปแล้วเขามาลับฟังยย่างไแล้มันสามารถท่านสินี่โอ้หเฉยว่าฆาวตายแล้วแตกเอานี่ไม่ห้อกไจกอตายไม่อีกอย่างมันดอกไปนี่เม่วาตัวหนึ่งก็ตายไอ้กอดตายมาพ่อนี่ใกล้ตันึ่งกอดตายมาพ่อ ไม่เห็นตัวนึงก็กตาย่าพอ่อไม่รู้ค น, นกึงก็ตาย่าพ่อไม่ห น, น้าจะพวดตายไปะัดแต่ว่าหน้าคอไข่ออกหวนได้จะกื้อจของเดินเข้าไปด้วยมันจะไปเลสลฉันแรกนั่งผู้สาวแกผู้ไหเดียวท่านพ่อพอไปเฉลีย่ยเฮ้ยยากตัวตายโ อ, โยโยอ้ยนี้จะกอดตายกูจะไม่กูจะกอดตายครับเร้ขออนุญาตส่ง พ่อหัเกแม่หัวเกษเงี้ยพี่ชายหเกษเงี้ยพี่น้าหัเกษเงี้ลูกหลานมึงหัวเกษหลายคนเลยขี่อกพวกฝ่ายมึงหัวเกนหลายคนเาเป็นก็ะดกระดิ่งสแล้วที่เอาแล้วไม่อะ่รงก็ได้กตว่าสัตม่วาเราก็จัง จะสร้างคนสอบคนเดียวคนที่ไรที่ไรนะครับผมพี่ในหน้าข้อจายเนี่ยากวนใจนะเนี่เอาคับตัวน้าคุยกับับเนี่ยแบบนอันนีดตีเ็ะขอเข้าไปเลย นี่แม่ตายแล้วชาวายนะบอกเออเออตัวก็ปนกำลังนตับอยีีน้อ็นบอกเดี๋วบอกยี่สามจตะก่อนก่อนต้องใเาจ้าเขาแบบนี้บอกจะให้รู้เราบอกบอย่นี้ให้สร็จปุ๊น่อยให้เราลับตาบอออกใส่เงนเงืเจ้่อ่ห่าลัตาบอกออกก็ทราว่ามันะไให้่ได้ถืเขาตาม ตายพ่อว่าน้าตายพพวน้าจะวตายพ่เปล่นตายเปล่นจะี๋ตายพ่ว่น้าตัอย่างไรก็ให้ตายเปล่นกให้เดี๋ยวพน้าตายแ ล, แ, ล แ, ลาแล้วีเดี๋พัเพื่อนมาเล่นกระากก็ขอขอให้ตายกับพ่อว่าน้ า, านวมาเกิดแก่ก็ตายในตัตาลูกสามี ปันอันนี้อ๊กนี่อีกดใจอยูอยยยย่ตลา ด, ดนี่นายฝั้อันนี้อ๊กแล้วผมจะบอกคนบริษัทว่ไห น, ไหนมันหยาบสิแล้วปั้นตกต้อนกันเพื่อมไว้คิดแ้วหุ้นตอกต้อนกันเพื่อมาไว้มาก็งแล้วพอหลังดอหว้จากนเพื่อมาไว้ทำหันใจก่อ กงน้ำมนยมืหอ่ะลงน้ำมัเลยงน้นอ้ง น, งน้งหงนาห น, า น, น, น, น, น it, ออ้างน้ำี้ยงหลงน้ำขนน้เค็มตัวพงือเปเล่าเปขาเปปกคนนี่แหละคือาเปงขารสังม่กองทุกคนนั่นก็ไปอย่อางนี้ังมเนี่ยนีเป็นกอทุกคนเป็นคนกนเหรครับผมนี่กองทุ เขาวาจะมาอยู่เดินนั่งนอนังดอกเมาเลียมักคิดนังดอก่นอกไปก็ปอไเป็นตัวจริงสัดสูชมาที่สัูัหนาสันชูึงชววัญเบเหตเกลายเป็นมนุษย์กายเเป็นเทวววนากลายเป็นมนใจเป็นฮัสซูเจฟันโนผู้มีเสียนหาบริบูรณ ถึงพพระธรมผสมดิงลนาเดียวมันสงสัยว่าสถือออื่นมันสเดินตกลมหรือว่เดินตาฟังถูกพว่าน้าอพว่าน้าก็ตามคิดใจทังว่าพูพระธรรมผสมอ่ะดิ่งแล้วมันก็เป็นพ่อวน้าอย่างเมี้ก็นม่ตึ้นคื่องเพราะคิดใจมันถอนออกได้สุดไม่ย้ำในคะแนนจริงจริงอยู่ว่ไดนนืกอปลาถือถอนออกจากพูพระธรรมผสเสียเรียกว่าผู้นั้นเดินจะกลมพ่อวน้าอย่าเม่ีก็นขึ้เคื่องอ๋ามมา เดี๋ยวเาพ่านเรือบใส่เ่ยพูดพระาสองโยมนี่ยเขเร่งขึ้นเขาคิดใจพรถอนเนี่ยคิดใจพระขบศัตรูคองขึ้นนี่คือเกลือพระเดชสงสายมันเสียพระเข้มจิบไปจิบกับพระเดชสงสายมันเสียพะเข้มพูดพระพูดพระธาตาพระสองขึ้นกันแล้วนึกถึงว่าล้นึกถึงกับ่ระนึกสงสายว่าสิบล็อกนี่พเดชพระพุ่มากมากหาประมาณบไม่ได้ กิจใจก็ผสมว่าสีดอนดอกกันเทีอมก็จนถึงที่สุดดโดยชอบมันสอนไข่ก่อนนอนนอนรู้หมดอยู่เตียงเลยรู้ว่าอกมกนสอนไข่ นั่เสียงเขาตู่เนี่ยคู่คันคู่อ่อนท่อนจิตขาดไปเป็นวันขโมยล่าทางอีสานน้างตัวคันเสียงหน่อยว่อยว่อเสียงใหญ่น่าตัวตัวจับต้นใหม่ขอได้ใส่ปีดหางน่างตัวเ ข, าข่าคันค้อนท่อนคู่น้างตัวยูว่าไรเดินเจยเจย์ลงมไาลตัวผอมทํามฤทธิ์ที่ต่งตางๆ บ่าอากับอันใดหลายล้นอนเ น, นอกน่ อ, อ, องเจ้าเลยนะครับพระองค์เจ่าเป็นใส่ทาพเป็นการเกตกับนางม่ได้จันทร์เดินดงพระองคเจา้แาแนี่ยขามนี่ยู่ไน้หาทุากักดสัเที่ยวไส่ทรงเว่นทากเป็นกลรเกตหนึ่งย่อมว่าท่านไี่เส้นหา ยน่ไปลุกลักลูกสาวเขาอยอะแ่เน่าบริก า, ารปกติลักาสเป็นพระเวทขั้นอนดาสทีคิปศ า, าปส์าสร์เป็นพวกคิปศสตร์นีมี่แหละมี่สิน่ะเน่าจุประค า, าเขากรุตักเขากรโน่ีแต่ว่าลักลูกสาวเขามีเน่าบริกานานั่ก ก็นั่งผืนผ้าอันเดียวกันอย่าียอยมาอยว่มามาหอดศาสนาะมาหอดพระองค์เจ้าเขาเป็นพระพุทธาเป็นพระพุทธเจ้ากันมานั่งผืนผ้านี่นั่งมันเองอันนั่งขี้อัศรกายอยู่เขาของข อ, งของันตรงเ น, นั่งฟัดทุกมมาในกัมปาที่าวอันตรงเงน้ย แม่น า, งา่งมาลีจันโอ้กาแนแม่นางพี่ฟ้านา่งเกศรอนกับกแฟนน่แม่ น, า, นา่งพี่ป้ากล า, า, า, ากเป็นนัางเกศรอนเกศรอนภามท่าทนสางวันวนีเป็นทัศนมาตรพรพุทธเจ้าเธอกรลองทุนหลาย มูาลองทุนเป็นชาววกชาวเวกาว่าจะลงทุนหลายคำพูนนอกขอล่องทุนพาะพระเจดเป็นที่สฮพระติจาวพอล่ อ, อ, องทุ่นเป็นชาววกบงฝ่ายบางขวาน่องพะพระเจดลงมากพอลรองทาาุ่นเป็นชาววกพระหันทรมดาลว่าลงทุ่นหลายปานั่งหนึง่ง ล่องรุ่นแสนครับล่องทุ่นจะเป็นแม่พระพุทธเจ้าทีเป็นเมีพระพุทธเจ้าทีเป็นลูกพระพุทธเจ้าทีเป็นอุปภูตพระธาพระพุทธเจ้าที่มาในทางหนาทีเป็นชาวก็เสื่อมสายบกพร้าวพระพุทธเจ้าที่มาในทางหนาทีเป็นพ่อพระพุทธเจ้าทีเป็นแม่พระพุทธเจ้าแม่ราคคอาตั ่ากพตการเลยในร่งทุนหลายอันรรุ่งทุนหนึ่งอสงไข์กับแสมมหากรท่าปาร์นาเป็นพระทุกขะะเวปัสโกจะเริ่มเนี่ยปารชนาล้วนจะหามมือฆ้าพ้นทุกข์อันเดียวกันบนร่งทุนหลายแสมกับพืน ผู้หวังผลทุกในปัจจุบันนชาติไมายควมว่าผู้หวังผลทุกเป็นพระรหัสอาหารในปัจจุบันนชาติแล้มาเิยแก้เจ็บตายอีกไงไมาย่วนว่าผลสามวันแล้วไม่แก้กลาเมาแล้วรพวกยองซังเร็ตรมาคนที่พ้าในอนาคตกาดนั้นเถืนะ่อนไงพวกนั่นน้ท่านแก่ปไห มรมีรอดแกไปไหนพอหวังพ้นทุกขนะ์นปัจจุบันนะกคิดปัจจุบันนะักทำพอทํามาแล้วแก้ทํามมาแล้วพอเห็นไดนจึงสักลงทุกข์พอเห็นไพนะ่ในว่า ต, าต้องสงสารยามเตือทีนด้มันบนานเองมันถ้ามันดอกไม้ถ้ามันดอกบัวมันก็เป็นดอกบัวตูงแล้วจะไปดึงให้มันลงใตหน้ามันมไป่ปลอย มันมีนาที่มีสทิที่เกียมตัวสิบานเท่านั้นอันนี้พวกที่ว่าอน้าคตการังเถือนอันหนาคตกาณาดังเถื่อนหนึ่งแม้ว่าท่านมีจุดแตว่ว่าท่านไม่คิ้วเข า, ามีอะไรบางที่อยู่มันเทียบแค้ดอกบวกัวเขาดอกบัวยี่ใส่หน้ําไปแล้วเจ้ก็สิะผลขึ้นมาถ้านเนี่ยผลขึ้นมาโมโยโบผลหรือเป็นทักฟ้าแห้งฟาแล้วเตาเขาบไปจัก พวกผูมีกลงวันกัางคืนเนี่ยมะไวไก่ได้ ว, ว่าตาสงสารนะมันดอกบัตูมแล้วเนี่ยน้องมะไวไก่เาบอกได้เนี่ยนีทรัพย์มีสินเสร็จพันศาพนเดือนก็นมไหไวไก่เพราะเสียตายนี้จากแลวจากมันซื้อบัตรแฝกผันม่อัญชล่ยมากเดี๋ยววีคนมะคากูออกทรัพย์เดี๋ยววนาาออี้คุตายนี้จากมันเดี๋ยววนี้มันก อันตราธานนี้จะปูไฟมาย ก, กระไรลมพัดกะไรเลเนี่ยนฝอกกิงเอล่าท่านทำเป็นซีกกำลังโหลดคนน่ะเมื่อวางพบหน้าพบหลังพนน่ะพอบาแล้วมีแก้กล้ามาแล้วเพราะมองเห็นโลกทลั้ง่วงบ่มีความสุขเะเลยทำเแมนง่าช้าเห็นคนนั้นเยังเห็นความสุขในโลกด้วยนังติดยิย่ในสมบัติท่องเจ้าของคน บางทีมัยังาแก้แกรายในอ่ะขอาดเงื่นลายก็จัติดสมบัติยในเงินอยู่การที่จะหน้าค้นตายเป็นอารมณ์ระงัดใดข ก, กันกัรควมเพิ่ น, นมันตฏะทุงสารใดขึด้นเนี่ยตายพอาเจาเนี่ยหายถ้ามนดนอยกประําก็หกคน มันพ่อมันแม่เป็นคนปจําของหกคนเดี๋ยวคูณสาวแกสามมึงนีจะได้คำสามชิดไปฮพอไปออกหอยลุดไล้วมึงแฮทให้เ็เป็นให้เฮดหน้าเขาเป็นหน้าอะรเงี่มันคนฉีผขาดเอ้แต่มึงนี้ไปบวชเนี่ยคนสีต้องมัางได้จังมึงเนี่ย แล้วมื่อก็ขยายออกมาที่เท่าไอ้ไรเห็นพอเซียบเวล่าส่วนลูกของจัดกไกเห่างู้ล่งทั้งว่าเห่าจุดปลาคนสามส่วนพีเซี๊ว่าเหาว่าหันปส่วนปพ้นนี่ยคือพี่น้องทั้งแม่หันพี่น้องทั้งพ่อทั้งแม่ห้ามม่ได้สงสัยห้อง โอ้ยภาู้ใดก็บอบัติบัติอนก็นอก่าษเอาเมียก็ได้ภาษาเอาผู้อื่นได้เอาผู้คนบัตีก็โตมาได้เอาผู้ไายก็โตเอาใครอยู่คน้ใดก็ บ, บัตีอันก็นอกภาษาแค่เดียวนี้เห็นท่นะว่าตาสองสามยานาันทีแล้วภาาเอาเมียมันก็เอากวาตายมานำ้ำาษาไม่บอกพูดเรื่องเอาวตายมาน้า มี่ ใ, ใกลตัว น, นกควันตายมาน้ำที่จะน่าจะความตายเอาหลอดสังเกตจะค้องระบาดเนี่มันเห็นแม่ห่ า, างมาลายมันเห็นพกสาวพวกสาวพวกแกผู้สา ว, สาวแ ก, วแกคือตั้งสามชิเนี่ยมันคิดว่าจังไหนมันเกี่ยวขาบอมันจะคลดว่าจังไหนนะสังเกตมันจะคล้องอย่ปีหนึ่งบอกาว าพาผ่านว่าโลกโลกโลกแล้วน้่นพุกเาหาพระเจ้าพระสงฆ์ภาวนาควมกายอาทิษฐานศีลจมือฮามันตายหัวแรีงนี่ว้สันมันไร้าตายก็ได้เว่าสั้นแต่ที่ประมาณได้บอกเจรงย่างเพราะน้ำย่างปน็นน้ำย่าง รับตาภาวานาญาวยังไม่ใช่ต่ำยังไม่เลยพอ ย, ยาวยังไปนงมาบ่างทงบังหน้าโอ้ยกูเนี่ยหน้าให้กูไถ่ไปไว้จักจักหอบก็เช่นกูกองขกนดำเบิ่งหล่ะเดี๋ยวบังค า, าแท้พอจะปีนบหมืนวานี่คอยบ่าจะมาหาเจ้าอยู่แล้วลว่าสั่งคอยจะกระสางบ่าแล้นี่นี่สองสาร คอยก็เป็นสังขารวัดทุสวัดทั้งหลายก็เป็นสังขานสังขารด้วยทังขานจะสางกันมันทีจะเลื่อนจังไหนีมาั่จเมื่อไม่จี่เ็ที่แตกสลายไปน้ำกันให้แล้วเจ้าธนีระเจ้ามือทจ้เกียรปืนที่แตกมาสั่งเอาธนีเอานี่ออยันมาั่ง ไม่ได้เอาอีกห่อว่าฮพุ่นแล้วได้ส อ, อ, องพันสี่อยแปดสิบสี่พ่นเนี่ยต่ยอ่ะแปดสิบห้าแปดสิบหกมาบวกแล้วจบห้าทดสอบจะฟ้องคนทั้งหลายลงกันว่าฉันโอ้ยคนพุ่งอยู่ตรงนี้นวั้งนั้ พ้นฝนนี่ฟัดนี่กลิ่นได้เพยภูมิของนมี่อะไรอด้เลยว เ, ยเครนพภูมิฝนหนึ่งจับบวชแต่สันพรจับจับบวชป็นผู้ว่าหุ่นฝนบวชสามพั น, าพ น, าานสาที่พันสาทั้งฟ้าทั้งเนินแล้วทัี่ฝนสอบได้สองเทือหุ่นนะครับเดี๋ยนังสือหนังสือท่าหนังซื้อบาลานนะ่นกระเทืได้สั้นที่หนึง่งูหุ่นนะจ คนขุดมาเบื้องวัดแล้วกำนัานนี่ธานุนี้ยังกระดายเลยท่านต้องซื้อสูตรเพก่อกระเดียดที่ซ้อนกนั้นจะจบมหาสมสูตรได้กระเดียดวัดจบผ่านเบื้องวัดแล้วพระไม่ทุนแล้วรักชาปนเลยบอบอบอกรับดีๆแวฉลงพ้อตะโตบวชแล้วก็บแทบานครับขู่มัดแล้วบานขู่มัดใจเป็นยาติผู้ญาตา จอบ้านยังไบ้านยั่ใกล้กลบ้านเป็นบ้านใหญ่เนี่ย ล, ออลั้าอ่อนลังคาสองอ่อยลังคาผมใช่ไหมอ่ะเป็นบ้านจ้รัชการที่สี่ที่หาที่สี่ผมวัดตงกับพ่อแม่ตัวเป็นผู้สางขึ้นพอตาแม่ตาตัวพอตาแม่ตัวก็แม่ตัวเป็ น, นู้สางกินบ้าน ที่ดินวัดท่าที่ทอโอออ ก, กเป็นพงทาาที่เนื้อนก็เป็นธงทางทิ่ใตเป็นขับที่ตะวันต ก, กมัเป็นบาศมันมันเป็นบานอ่อมเยอะที่นอกตัวก็ออมวัดอยู่อะู่เมืองนั่งอ่อมเยอะหนุ่ร้านเดินหม้อมอหลงดาว นับแตโลกภายในในสกลร่างกายของเจะาของไปตลอดทั้งโลกภายนอกตาโจะมองเรียนกายใจโม่น่มันเป็นโลกแต่ะละอย่างละอย่างใจก็เป็นโลกเท่ากันใจว่าท่านพ่นใจกี่เรีใจที่พ่นจากี่เรีแล้วมันจำโม่เป็นโลกนันมีกีเรียนถมหอเลยมันต้องเป็นโลกใจ มันมีควอมยากในวัฏสงสารของมออยู่มันเห็นโทษในข้อมเพื่อนในวตาตทฏองสรารอย่างเจ็ดทีะตะปางเห็นธาตุดินลงเสมอภาคกันเมือขึ้นหาของไส้มันจะพังลงเป็นดินเห็นธาตุน้ำเสมอภาคกันขึ้นหาของไส้มมันจะพังลงเป็นธาตนนุน้ำ สาสดินยเยนสวห้องานอกมนเยอสวนาสดไฟมันกัดแลนประหาควาอบวัฏุ่นของเกา่สาาดนวมันกแลนปหาความพัดไฟมาของเกา่ถาถว่าผากันเทมนาของไส้บัตรควสวยอารมณ์แวนหน้าสุขทุกโอเบคามันกระล้งกันเสมอผาามัดมันเกิดเสียขาดัดแต่ควรดับไปถือาผากันมัด เกิดมาโลกทางร้ายมันมีภาพพจด์ตอนนี้แล้วทั้งผายนอกภายหน่ายผ่ายไกล้่ายไกลนะฮะวบใจใขะแน่นว่าโล ก, กมันเป็นสุขเมื่อคนคล้องเขาใจพิจารณาเที่ยเพราะเขต้องรู้ตามเปนจริงเมื่อรู้ตามเป็นจริ ง, ร ต, รงตอนแรกมันกลับว่า ข, บขับรถเคือนมันมาได้๋วขบรถเคลือนว่าโลกที่เป็นสุกจั๊กเถ้อ มันโมเด้โค้ดขึ้นมาโค้งเกิดแก่เกิดตายนี่มันสิบเป็นสูง ก, ก็คืออ่ะมันสิบมันจะโค้ดขึ้นมามันสิบโบริยกพัดภากจากของละคลองของช อ, อ, อ, อ, อบใจก็คืออ่วางทั้งคนเท่าเป็นหมายทุกคนบนบนทางนึงกับทางนึงหัวเขาเนี่ยน่ะมันสิยู่กันหอดมือเท่ามือตายก็สร้างก็ตกเป็นหม้ทั้งนึงตายมือเดียวกันกันยังเป็นคนะอะไรช่วโมง ตาชัว่วโมงเดียวกันกับยังเป็นคนละหน้าที่ตายหน้าที่เดียวกันกับยังเป็นคนละวิหน้าที่อีกอยู่ท่านนั่นก็ตกเป็นไม้ให้ได้พวกนี้หลูกหลายคนก็ไม่เสียมลายดวงเสียมขุดนะี่นดินนับมือแคบสบราผทุกทั้งพวงแห้งอัตคัดเสมอเลยตะกี้ยังพวงขวักกนอ่างนี้ซ้ำเดี๋ยวนี้อัตคัดกับวัดเดียวนี่ ฮะเงี้นในปีน่ะสามสิบสี่สิบาทพอไทยละธุรกิสามสิบสีบบะะ่สิ บ, ส บ, ส บ, ส บ, บาท ต, ตลาด ก, กับพ่อขาไงไปทไมเจ้าเขาโขกต่มอนกระสกโุกดีไปลนี่วนจวาเเนอะไอผั ว, วมันยงมงึงลูกมงลูกมันจะแตกออกมานีนี่พรเจ้าก็หาคน น, ะนั่นจีว่าจี ว, ว่าพุซกดีบอกบอกนั่นไปสวั น, นะบากนั่น บ้าดอกบักนังหัวมันอ่ะไปสวัสคักบักนังนบ่ได้มาดอกหมอักหมอนี่เธอได้คนไม่ได้หมอลายได้เนืลูกบุบบดอกกนี่งานเยอะเลยช่วยชิมว่าเมากอมือนึงกูป่ ไ, ได้ไหมครับหัวมันมก็ได้ไก่กันหัวั้งนี่ยมั อันนี้สองอันม้ น, นั่นแลนะดี๋ยคุณโน้มจังปอดเลยบอกว่าพอเห็นความซับคือเลกหน่อยสองคนนั่งอ่ะบุญมันเป็นตัวังไเป็นตัวังสี่หรบุญไม่วางสั่งหรอเป็นตัยงก็เป็นตัวยัสีส <c oughs> ตส่ตัว <c oughs> อ, อันลูกมันกับประกอบไเลยลูกี่ี่ข้งนอกกเพียร์ก็่อยเก่าพระสงฆ โม่มีขน้องนังเกเทียมไม่มีหล่มไม่ร่วนนัเกเทีเสมอผักนักเทียเกา่าผูเ้เทียกั บ, บรับลอดว่หล่อมโมร่วเพราะเจ้าพระสเสมอเทียฮู้สอ ก, กอบกัดท้องมันมันไปมันมันไปมันก็ไปดีท้องมันแบบนี้อือพูดถึงว่าเสียดายมมนม่มีนักพนพูดย่องว่าเสียดาย แค่ไหนแค่ป hey. We well, he he ันลูกพงจะลมันลูกตายคนบุญหักสายายมันหวนายใน้ลูกสองสามกัววราลู้นึงบุรแม่พระองค์เจ้านะพระองค์เจ้าเกิดว่าเลยเจรดลานทั้งกระปละแม่พระองค์เจ้าแักนี้ก็ดบานมวย่าช่างมันแค่คนนะแบกยักษ์เนี่ยนด์บานที่ผู้ตัวมาแคดบักมัน่ได้ทะเลาะววากับได้แบก รัศนะไปห้าบุญห้าเศษมันก็จะเฝ้ามาวัดแย่แต่ต่อคฝ้ามาใครจะของเอ๊ะบัตรอะไรได้ไปก่อยคุณน่มอมเพรวาว่าโอ้ยทน้มมาจ่ายยวัดนี่มันแค่ว่าเรโจมตีมู่ห้าพักปนันหา้ะครอยมาขอจีอวรจีดริวานมันเล มันเท้าลาย จ, จมโตีเห้าพ่อแห้งอะไรไปกระดายไม่ไหวหลัก ว, ว่านั้หนึ่งเตี้ยีเนียเมียใจคเตีมันกัดกิ่ง จ, จะเก็เ ก, กิดหัวกันกับเี่ม้่อนอีกคืออะไไปบวชไปยังละพวกนี้คืออะไไปบวชที่นเชนอานลาพวกนี้ทำวดตามธรรมเทศนาของพระองค์เจ้าขเขาบวมช้านมันงานีนานน่บวทำเหตุผลว่าบวตามเหตุผลของเขาที่เขา มันเขานักไม่พระพุทธศาสานาเขาต้องไวมกันอีกหวมกั น, กนด้บวชหวง ก, กันในนักเขาแม่พระศาสนาว่านันกเขาหละขันอิมอนพระวนาดีอม่อนกับคนนั่นอาณาชาตินี่ขันาพ่ะพระวนาดีพรกิเสือนกันนก่นพระเมตไตสะกอนคไปหว ม, ก, ท ม, ทมกันปุ่นปืดเตี้ยเสมอใจอ่ะนี่ตอนนี้ ฝุดแต่วาตาทงสามมุมมือได้จังว่ามุมกินกระด้บังคับกินเสมอนอนงก็ได้บังคับรับเสมอนี่จะหน้าธรรมะพึกไปพลิกมายู่สมน่าตายฆ่าธรรมะนเนมาอธรรมะเป็นอารมณ์หลายกว่าสัวนเท่าไหร่ทั้งพี่แกหน้าแบบบันเอิงกระซ้ามันก็โค้งขึ้นมากของมันอยู่เด็กคนอา่านหนังสือพี่ไม่ฟังเหี่ มันก็นอกมันเป็นเรื่องทุกโกรธข้าวทุกในว่าัชรสงคาลนี่เองข้าวข้นต้นกข้าวอค้นขากันกับันข้าวทุกข้าวรดต้นกันกับข้าวทุกข้าวขี้ข้าวป่นกันกับข้าวทุกข้าวโกงข้าวซ้อกันกับข้าวทุกข้าวลักลอกลอกหอกับข้าวทุกข้าวคมคืนกับข้าวทุก ข้าวนีข้าวกิ้นกับข้าวทุกข้าวกินเข้ากับข้าวทุกเพราะมันเหี้ยอะไรจังกินข้าวปลข้าวปลทายกับข้าวทุกเพราะมันปวดอะไรจังไปข้าวห่อนกับมันข้าวทุกเพราะมันห่อนข้าวหนีกัข้าวทุกถามว่าหอมข้าวเปลี่ยนเนีนยวบดกับมันข้าวทุกนั่งหลายเพราะไร ขาวหันใจก่อออกกับมันข้าวทุกข้าวนึกข้าวคิดกับมันข้าวทุกพอมันนึกขาควบสุกมันมันบริกรรปะตูปตูปรตบเกินึกขาควบสุกมันนี่จีวายไงท่านฮึฮึบริกํามไปทางอื่นมันกันนึกขาควสุกมันคือกันแวมันหั่โมเมนตท่าก oh ูประกำบนอันนึกไยเดียดเดมกูขาผู้หั่นกูขาผู้นี้ว่าว่าว่ะมันคิบว่าเดีอดตีเกียงกูกันมังท่าน มันเกได้ร้าความสุกมันเหระมันทั้งว่าเขาเจาสิสุกคาเปเชียมันในเวนในไพ่คาเขาแล้วเป็นเพียนเขาแล้วมันบริสึตธิ์ซะอะไรหรือว่าเาะมันเห็นพิเป็นชอบเพะว่าอะไรอันที่สาเมื่อมาเพิ่อนในวัฏสงสารเนี่ยมันกับด้วิชาชนะสัมปัโน่ตัวมันกติไปสุขฆตมันกติโลกเขวิทูมันกับรูแจ้โลกขอนตัวเป็นความเกิดแก่เก็บตายเป็นทุกข์แ่มันโกเขาวิทูขึ้นกัน มันแม่สาวว่าโกโรคเขไปทู่บอมันพุทธโคโรคเขไปทู่บอบอลเจงโรกก็ไปทู่เดียวมันบเทียงในวัตาต้งสารกับสาว่าโกโลกเไปทู่เชนกันทั้งนี้พระลูกแจงโรคเชกันเพโรกแต่บเพราะโรคข้อโมมันเทียงอนี้จบ่วลูกแจงโรคยังไหนนั่นพโรคแต่พูดฟ้องทุกเด้ถือว่าบรลูกแจงโรกังไหนอยนั้นที่านสงสัยโลกยังไหนอีกั่น นั่นอันการเห็นยังสั่นว่ามันตัวศีลบว่ามันตัวสมาธิบว่ามันตัวปัญญาบอนั่นอยเป็นตัวขโมยคื อ, ขอ เ, เขาล ง, ง, งาสูงไไ้นเสี้ยงว่าสัมมาทิฏวะนั่นโอสัมมาไปก่อน <c oughs> อ๋ออ๋ออ๋ออัตระหนัารอนตระหนักรร